ภผนวกทศพิษราชธรรมทศพิษราชธรรมคือธรรมะสิบประการสำหรับพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติอันนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความสงบสุขสันติของบ้านเมืองและพระสนิกรทั้งหลายได้แก่ทานังหรือทานคือการให้อย่างมีผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทางกำลังวัตถุสิ่งของการให้ทางกำลังสติปัญญาการให้ทางกำลังกายกำลังใจจะเห็นได้ชัดเจนจากโครงการพัฒนาต่างๆที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำเนินตามแนวทางพระราชดำริการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในกรณีและภัยพิบัติต่างๆสสีลังหรือศีล คือการสำรวมในศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยพระราชจริยาวัรที่ปรากฏทางพระวรกายทางพระวาจาล้วนหมดจด ง, ดงดงามเป็นที่จับใจของผู้พบเห็น 3. ปบริจาคคือการบริจาคเป็นการให้ภายในหรือที่เรียกว่าทางจิตใจ เป็นการให้แบบไม่ต้องมีผู้รับเป็นการยอมสละส่วนเฉพาะตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้มีจิตใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลข้อที่4อาชวะคือความเป็นผู้ตรงได้แก่ การประพฤติต่อตอนเองและผู้อื่นด้วยความจริงใจไม่มีมารยาสาถทถยไม่มีนอกไม่มีในพระมหากษัตริย์ทรงซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครองดำรงอยู่ในสัตว์สุจริตซื่อตรงต่อพระราชสัมพันธมิตรและอาณาประชาราษ 5. ามัทวะ คือความเป็นผู้อ่อนโยนได้แก่มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ผู้เจริญอ่อนโยนต่อบุคคลที่เสมอกันและต่ำกว่าวางตนสม่ำเสมอไม่ดูหมิ่นผู้อื่นในหลวงของเราทรงปฏิบัติพระราชธรรมข้อนี้อยู่เป็นนิตทรงมีพระพักอันแช่มชื่นอันบ่งบอกถึงพระเมตตาคุณและพระกรุณาที่คุณอันเปี่ยมล้นอยู่ภายในพระองค์ ไม่ได้ทรงถือพระอิสริยยศเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรโดยไม่เลือกชั้นวรณนะแต่อย่างใด 6. ตบับคือความเพียนได้แก่ความบากบัน่นก้าวหน้าไม่ถอยหลังความไม่หยุดอยู่กับที่อันเป็นคุณสมบัติที่เผาผลาญกิเลสความเกียดคร้านทั้งปวงการที่พระมหากษัตริย์ทรงตั้งพระราชอุสาหะวิริยะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงให้สำเร็จย่อมเป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องความเพียร 7. อกโกทะคือความไม่โกรธได้แก่การไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏตลอดถึงการไม่พยาบาทมุ่งร้ายผู้อื่นกิริยาที่แสดงความโกรธออกมานั้นไม่งดงามน่าเกลียดน่าชัง ในหลวงของเราไม่เคยแสดงพระอาการกริ้วโกรธแม้จะมีเหตุให้ระคายเคืองเบืองประยุคผลบาทพระองค์ทรงมีพระอาการสงบนิ่ง 8. ปาอวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนได้แก่การไม่ก่อความทุกข์ยากให้แก่ผู้อื่นตลอดถึงสัตว์ด้วยและเห็นเป็นของสนุกของตนเพราะอำนาจโมหะเช่น ทำร้ายคนและสัตว์อื่นเล่นความไม่เบียดเบียนจะเป็นได้ก็ต้องอาศัยความกรุณาเป็นเบื้องหน้า 9. ขันติคือความอดทนได้แก่ความอดทนต่อโทสะอดทนต่อโมหะนั่นเองไม่ทำล่วงไปด้วยอำนาจโลภะหรือราคะโทสะโมหะนี้ งามทางกายทางวาจาตลอดถึงทางมานะหรือทางใจขันติคู่กับโสระจักะได้แก่การทำใจให้สงบจากความคิดที่จะทำชั่วพูดชั่วหรือคิดชั่วขันติและโสระจักระเป็นธรรมะที่ทำให้งามคือทำใจให้งามก่อนเมื่อใจงามแล้วกายก็งามวาจาก็งาม ความคิดเรื่องราวต่างๆก็งาม 10. อวิโรธนะคือความไม่คลาดธรรมะวางตนเป็นหลักหนักแน่นในธรรมะคงที่ไม่มีความเอ็งเอียงวันไหวเพราะถ้อยคำที่ดีร้ายลาบสการะหรืออิทธารมอนิธารมใดๆสถิตมั่นในธรรมะ ทั้งส่วนยุติธรรมหรือความเที่ยงธรรมก็ดีนิติธรรมคือระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดีไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไปเราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่งเพราะบ้า ไรค่าไรความหมายอ่อนแอเหมือนโคนลนไหลไปตามทางเรื่อยไปเมื่อน้ำแห้งไปก็แตกกระแฮในพลังเพียงแค่แรงเดียวที่ยเราเนี่ยรังเราไวไ้กล้าแข็ง รวมผู้คนมากมายให้ทรงพลังแข็งแรงรวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินเราก็รู้พ่อต้องเหนื่อยสักทีไหนต้องลำบากใจกายไม่เคยสิน้นร เราทั้งพร้อมจะพร้อมกันได้ไหมบวกกัน